ท่านหมดบริสุทธิ์ท่านลายสําหรับตอน และเนื้อที่ก็มากเนื้อที่จริงๆทั้ง 200 <c oughs> ไร่เศษท่านนายก่อสร้างก็ว่าคุณป้าแก่ค้าคุณป้าทราบความเป็นมาของวัด ที่วัดนี้ๆเดิมทีๆอาจจะใหญ่ก็ได้ตาม 8 ไร่กับ 20 ไร่ dan moet je nog van keer een handen en zongen. Maar ze maiden op, ja, maar je een maai. Dan een hand bagom, heb een paar dunch de รวมเนื้อที่จริงๆวัดๆตามประวัติศาสตร์ตาม 370 ไร่เศษแล้วก็ในช่วงหลังที่ๆที่หลวง มีเจ้าหน้าที่เอาเอาโฉนดมาให้โฉนดที่ดินปรากฏ dan roa. Rosa Katika, barn. Kapdan Titolin. Ben Natio Kurai. Natio Kutai, barnmoet. Ik wil niet in Kwaan Kwaan leggen. Ik wil niet in Kwaan Kwaan Kwaan leggen. Ik wil niet de Kwaan Kwaan de Kwaan Kwaan Kwaan Kwaan Kwaan Kwaan Kwaan เจ้าอวาทบอกว่าจะทําโกฏิให้อยู่สักหลังหนึ่งแต่ความจริงโกฏิหลังนั้นก็ไม่มีอะไรฝาก็ไม่ ที่โคนต้นโผ่ชายน้ําเวลานี้ <c oughs> สมัยดีกว่ามีรั้วรอบขอบชิดของเดิมไม่มีรั้วรอบ แต่ให้สัมเณรสมควรกับสมณเณร <c oughs> การอยู่ของหลวงปู่เวลานั้นอยู่ในเกณฑ์ที่อาณาถามาก <c oughs> Zo'n knak mij voor, dank het dan ook al links snak in. Taal sommigen, jongen, leng, dat beetje, ik denk, jong, beetje, ik denk, jong, leeuw, dat ik niet laat, dan na, dan rij, toch kondom klopt bij. Dan jong, kondio, dank het dan ook al links snak in, hoe koud in hem. Saraf kap kaal, die zijn mannen, dan doen, kortom, zijn en zul, dan kap kaal in. อยู่แบบอนาถามากพวกเราก็พวกเราทุกคน <c oughs> ทางคนท่านก็ช่วยกัน แล้วก็ส่งข้อเรื่อยๆมาก็ต่างคนต่างก็ช่วยกันทําทีนี้งานที่ทําเข้าแล้วจริงๆเมื่อสร้างกระต๊อบแล้วก็สร้างทําหอ จุลัยก็ถามว่าเวลา <c oughs> ถ้าพระองค์ไหนที่อยู่ก็เจ้าวาจาวาดไม่ให้ <c oughs> Ik heb het gevoel ik het niet heb gedaan. Ik heb het gevoel dat ik het niet dat Hangend ik dat om je tong, dat om je tong, dat je dat dat เสาหลักร้านค้าในจังหวัดอุทยานธานีที่ซื้อของเป็นศิลเชื่อได้ก็เป็นร้านแรกก็คือร้านธานีวิทยุที่ <c oughs> เริ่มปลูกถ้ามาอยู่ตอนแรกก็มีความลําบากมากความกังจริงกันอยู่ก็สิ้นลําบากต่อมาเจ้กิ่มกี่ที่ตั้งร้านขายอาหารในวัดกับสามีสงเคราะห์ส่งบินโตให้ตอนเนี้ยหอยก็เริ่มมีความสุขมี จุลัยฟังแล้วก็รู้สึกหนักใจและแปลกใจจริงๆตุไลก็ถามว่าที่ท่านอย่างนั้นวัดโตมันได้ยัง มีสภาพโครงเครงจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่ก็ค่อยๆเอา เป็นว่าอาคารกรุติหลังเก่าสมัย เขียนว่าโครงการเผาศพสมปู่ก็ยังไม่รื้อก็มี <c oughs> เลย ท่าน ดร. เดือนบุญนาคท่านนี้เคยเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณหญิงยอมมาบนๆคน น่าตักประมาณเมสเสจเมื่อสร้าง ทุกท่านก็ซากตานันทะต่างคนต่างก็นํามาเมื่อนํามาแล้วก็มาตั้ง <c oughs> แต่ว่าไม่เปียกใครตกอยู่นานแสดงความสดชื่นแล้วก็ท่านบุญท่านเดินบุญนาคแล้วก็คนหญิงจะ ต้องใช้แป๊บขนาดใหญ่ยันหลังคายันคือไว้มันๆท่าน เจ้าอาวาสบอกว่าสงสารต้นไม้ถ้าทําที่ตรงนั้นจะต้องตัดต้นไม้หลวงปู่ว่าในเมื่อหน้าที่วัดขนาดเล็กขนาดนี้ถ้าเราซื้อหน้าที่เพิ่มก็จะการดีจึงซื้อที่ของบุญส่งกับครูเสถียรครูเสถียรน่ะเป็นสามีบุญส่ง ที่เขาจะขายเป็นล็อกๆราคา เขามาฤสาสมโพธิ์ท่านก็บอกว่าสมโพธิ์ ดูมันว่าจะมีคน 2 งานพอหลวงปู่ท่านคิดจะสร้างอุโบสถตรงนั้นก็เรียกเสถียรคุณครูเสถียรมาถามว่าถ้าฉันจะซื้อที่ตรงนั้นสร้างอุโบสถครูจะขายมั้ยครูเสถียรบอกว่าถ้าหลวงพ่อต้องการผมก็ขายครับแต่ว่าเวลา 2 งานแล้วครับ ถ้าถามว่าครูขายเค้างานได้เท่าไหร่ครู 10,000 บาทแล้วนานๆหลวงปู่ท่านก็เลยถามว่าถ้าฉันจะซื้อครูไร่ละ 10,000 บาทครูจะขาย 10,000 ฉันจะซื้อไร่ละ 10,000 บาทเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไปต่างคุณมันส่งมาก่อนเดี๋ยวสามีภรรยาจะทะเลาะกันจะขายยังไงเอาราคาทั้งนั้นมาพูดกันต่อหน้าเดี๋ยวนี้เขาก็ไปตามปัญญาเข้ามาเป็นระหว่างเดินทางมาสามีภรรยาก็ปรึกษากันมาแล้วพอ Kwanting, pomp, zielek, haaver, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, Ik mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann, mann,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 นบต่อไปก็หาทางซ่อมมีหาญ ท่านบอกตรงสงสารแล้ว สร้างเริ่มสร้างมาปี พ.ศ. 2517 ความจริงหลวงปู่มาที่นี่ปี เอาอย่างนี้ก็แล้วกันในเมื่อเค้าบอกถวายวัดถวายพระ <c oughs> คนไปยิงข้างนอกก็ไม่เปียกแต่ว่าเป็นละอองฝอยชัดมากหนามากอยู่สัก เป็นอัน 1 <c oughs> เปบาทยังขอบาทหลังจากนั้นมาท่านก็เชิญ <c oughs> เวลานั้นท่านจักรคงเสริมเป็น ปี 2000 ปี 2517 มีการเริ่มสร้างจริงจัง ทั้งทั้งที่เอาคนใกล้ๆเข้ามานี่มัน <c oughs> ที่เผ่าพันธุ์ไหนคือข้อที่ๆต้องมีกำแพงรั้วๆล้อมรอบขอบชิด นึกว่าหมายความถ้าเผลออะไรหยิบไปนั่นถ้าเผลอแบบไหนแย่งอันนั้นก็เป็นว่าเริ่มสร้างพระอารามโบสถ์ทั้งๆที่ทุนไม่มีก็ต้องหาเที่ยวซื้อปูนปูนพอเดี๋ยวก็ขาดพอเดี๋ยวก็ขาดจากถุงละ 22 บาทพอปูนขาดปั๊บเป็นถุงละ 33 พอเริ่ม 70 บาท 80 บาทบ้าง 20 บาท 70 บาท 80 บาทก็ลองคิดดูอัน เธอมาหาบอกว่าหลวง เหลือซื้อเลข 2 หุ่นมา 1 ที่รถเอามาให้พอใช้พระบวชในการสร้างพระบวชพระเหล็กเก่า จำเถียงไม่ได้ถือว่าเอาเหล็กมาจนพอคือเส้น 50 บาทแผนนี้ 70 หรือ 80 สําหรับปูนก็สินได้กรรมมาก จากที่ไปถึงนครสวรรค์บ้างไปเชนาทบ้างที่ร้านไหนมีก็ขอ ในเรื่องการเงินค่าจ้างกับเป็น <c oughs> ก็ทานาสมเด็จพระโพธิโคสาจารย์เจ้าสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ ตัดรูปวิมิตรแล้วก็บรรจุห้องโรงศาลีด้วยธาตุที่พระประธานกล่าวความว่าวัดนี้น่ะหลานรักพินธุธรรมานธรรมะด้วยความลำเคลไม่ใช่ว่ามีทุน พระคาแถวอุทยานธานีจึงไม่วางใจทั้งละ